จนความสง่าหายไปเหลือแต่อิริยาบถเดินอันจะต้องแปลเป็นอิริยาบถนั่งเมื่อถึงโตทำงานไม่เห็นจะมีสาระอะไรอยู่ในความสง่าของสัตว์สองขาเยี่ยงมนุษย์เดินแล้วก็เปลี่ยนเป็นนั่งนั่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นยืนยืนไม่ทนนานเดี๋ยวก็ต้องล้มลงนอนนี่คือสิ่งที่สติอันคมชัดรู้เห็นอยู่ตามจริง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 หรือต่อให้พวกมีอำนาจล้นฟ้าอย่างประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการทหารของประเทศก็มีจิตตั้งมั่นได้ระดับต้นกล้วยเจอนักมวยแข่งมหาการอย่างราคะโทสะโมหะเตะชาติเดียวก็ขาดกลางแต่สำหรับผู้ทรงชานนั้นความตั้งมั่นอยู่ในระดับโพพฤกที่มีลำต้นหนากิ่งก้านสาขาแผ่ออกให้ร่มเงากว้างไกล ยากจะทำให้สั่นสะเทือนด้วยพายุหรือแม้แต่ขวานใหญ่จะโค่นได้ต้องมีกำลังมหาศาลจริงๆฉันยังไม่จัดเป็นผู้ทรงฌานอย่างมากเป็นได้แค่ผู้ที่เพิ่งแต่แต่ต้องต้องฌานนิดหน่อยเพียงทำงานตามประสาคนในโลกได้วันเดียวสำรวจอีกทีก็พบว่าจิตใสๆขุ่นมัวไปซะแล้วเฮ้อ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 รู้สึกถึงอัตตาอันหนาแน่นของพวกเขาเท่านี้ก็เริ่มเน่าได้เหมือนแอปเปิลปอกเปลือกเจออากาศสองสามนาทีก็ค่อยๆช้ำลงเรื่อยควรมีเปลือกคือสติกั้นไว้ก่อนเป็นด่านแรกการต้องอยู่ในโลกเราคิดกั้นจิตไม่ให้ไปกระทบโลกเต็มๆนั้นถ้าคิดตามธรรมดาก็เหมือนเรื่องหน้าเหนื่อย แต่เมื่อเสพผลหวานชื่นแล้วสักครั้งก็จะรู้ว่าควรยอมเหนื่อยไปทำไมคืนนี้ฉันเพียรเลียนแบบเส้นทางการเข้าถึงฌานของเมื่อวานแต่นั่งสลับเดินอยู่เกือบสามชั่วโมงก็ไม่สำเร็จจนชักเริ่มหงุดหงิดงุนงานไหนละ่ะแรงดึงดูดทรงพลังไหนละ่ะความสะอาดว่างไหนละ่ะความตั้งมั่นไม่เคลื่อนง่ายทาไมหายไปเร็วนะัก แค่ทำงานวันเดียวเที่ยงคืนเสร็จฉันกำหนดเลิกภาวนาตามจิตตัวเองไม่ทันก็ปล่อยไปตามสภาพยอมรับว่าโมโหโมโหโลกทำไมต้องวุ่นวายคนจะมีความสุขสัหน่อยโมโหตัวเองทำไมรักษาฌานแค่เนี้ยไม่ไหวชั่วข้ามคืนก็เสร็จมันอ้าวตายละไงคิดอย่างนี้ซะแล้ว นี่แปลว่าอะไรฉันเสียดายเพราะติดสุกในฌานเหมือนคนติดยากลมประสาทแล้วไม่ได้เสพตามเวลาหรือว่าเสียใจที่ถอยหลังไม่อาจรู้ชัดรุกคืบเข้าไปในแดนกิเลสหรือแค่เหตุผลตื่นตื่ น, นคือรู้สึกว่าเคยเก่งแล้วกลับกลายเป็นไม่เก่งหรือเปล่าแหนหน้ามองฟ้ามืด จิตใจปลอดโปร่งขึ้นจากสายตาที่ทอดยาวรู้ทั้งรู้ว่าเข็มทิศเริ่มชี้ไม่ตรงทางแต่ก็เข้าข้างตัวเองว่าเรายังฝ่ายดีแบบที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนนี่นาะเพียนเพื่อฌานใครว่าไม่ดีละ่ะเสียหน่อยเดียวตรงที่เพียรแล้วล้มเหลวก็หงุดหงิดหน่อยเท่านั้นเมื่อจับความทุกข์ที่กาอตัวขึ้นได้ก็รู้สึกทุเลาเบาบางลงนี่ก็เป็นทุกขเวทนา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 ก็เห็นว่าทุกไม่อาจตั้งอยู่ได้เมื่อขาดเหตุต้องสลายลงเป็นธรรมดาสิ่งที่ตามมาคือปีติสุขอันเกิดจากสัมปะชัญญะรู้ความดับไปของทุกขเวทนาฉันยืนมองดาวนิ่งๆไหนๆก็รู้ลมหายใจจนเป็นฌานไม่ได้ประชดด้วยการเล่นสมาธิแบบอื่นซะเลยฉันหลับตาลง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 รอบด้านเหมือนสว่างจ้าและอบอุ่นขึ้นทุกทีราวกับเป็นกลางวันจริงๆอย่างนั้นแหละสว่างเป็นจริงเป็นจังจนฉันสงวนสนเทวันนี้ตกลงโลกกำลังอยู่ในเงามืดหรือหันออกสู่พระอาทิตย์กันแน่จิตที่มีความตั้งมัน่นทําอะไรได้พิสดารหลากหลายอย่างนึกไม่ถึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้อธิษฐานกลางคืนเป็นกลางวันให้มากแล้วย่อมมีจิตที่ตื่นตลอด ขยันภาวนาได้โดยไม่ง่วงเหงาหานอนฉันก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆเช่นกันความสว่างยิ่งแรงยิ่งกว้างยิ่งชัดเท่าไรใจก็ยิ่งขาวโพลนขึ้นเป็นลำดับให้หลับสบายสบายกับวิ่งรอบหมู่บ้านตอนนี้ฉันสู้ยอมเลือกอย่างหลังจะดีกว่าเมื่อความสว่างตั้งมั่นเข้าส่วนและราวกับลืมตาเผ ช, ชิญแสงขาวรอบทิศ กระแสจิตก็แผ่กว้างเหมือนพร้อมรับรู้เหตุการณ์ในโลกได้ไม่ติดขัดทำนองเดียวกับที่จิตตื่นพร้อมจะทางานเวลาอยู่ในออฟฟิศผิดกันคือกระแสรู้ในแบบนี้คล้ายพร้อมทำงานไม่จากัดอธิบายยากเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฉันจําเสียงโทรศัพท์ประจําห้องนอนของฉันได้นี่นับเป็นน้อยครั้งที่ฉันลืมปิดสัญญาณโทรศัพท์หลังสามทุม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 <orian. S 2> เห็นรูปที่ถ่ายคู่กันก็คิดถึงชั้นจนทนไม่ไหวอยากคุยด้วยเดี๋ยวนี้ฉันก็ว่าโอเคไม่เป็นไรเพรา ะ, ระเผอิญยังไม่ง่วงเธอชวนคุยโน่นนี่หรือฟื้นเรื่องเก่าๆถามไทยสารทุกสุกดิบฉันก็โต้ตอบด้วยความเต็มใจกับทั้งเป็นฝ่ายชวนคุยบ้างเพื่อไม่ให้เธอเก้อเขินลงท้ายหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปเธอก็เล่าเสียงเรื่อยๆว่า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 กับความรู้สึกยินดีอยู่ลึกๆหนึ่งทำให้ปฏิเสธไม่ออกทั้งที่ใจบอกตัวเองว่าถ้าขืนรับนัดอาจมีผลกระทบชนิดเสียงานใหญ่ได้่านไฟเก่าที่ไม่เคยมอดดับอย่างแท้จริงนั้นเอาอะไรพัดเข้าไปหน่อยเดี๋ยวไฟก็กลับลุกโพล่ยาวแน่เชื่อขนมกินได้เลยว่าทุกอย่างไม่จบง่ายๆโดยวิธีแกล้งหายต๋อมไปเฉย พอเห็นฉันเงียบครู่หนึ่งแล้วทำเสียงเออเอออ่า อ, อ, อ่เธอก็บอกว่าเข้าใจไม่เป็นไรรบกวนฉันมากแล้วคงขอลาแค่นี้หางเสียงน่าสงสารซะจนกระทั่งฉันอ่อนยวบลืมคิดถึงงานใหญ่อย่างสนิท ต, ตบปากรับคำด้วยอาการกัดฟันเล็กๆจนเธอถามย้ำว่าเต็มใจหรือเปล่าฉันก็กัดฟันตอบอีกว่าเต็มใจพอวางสาย ฉันก็มานั่งถอนใจเฮือกบนเตียงความรู้สึกปั่นป่วนไปหมดเมื่อครู่ทำไมฉันไม่ใช้ประโยชน์จากนิมิตสมาธิหากรู้ว่าเป็นเธอก็แค่แกล้งไม่รับเท่านั้นตอนนี้สายไปแล้วยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องทานข้าวเย็นกับเธอตามนัดเรื่องเหลือเชื่อในโลกมีมากนักได้ยินมาเยอะเรื่องบังเอิญมีเครื่องขวางมาสกัดขณะกาลังรุดหน้าอยู่ในเส้นทางสู่มรรคผล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 เป็นอันถูกเบียดบังไปจนหมดสิ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะรู้นิสัยขี้อ้อนของแฟนเก่าคนนี้ดีเธอเป็นคนคุยเก่งความรู้มากหาเรื่องจ้อได้ตลอดสองชั่วโมงไม่ซ้ำหนักใจแล้วก็หลับทั้งครุ่นคิดกังวลเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลาอันแสนประเสริฐที่เจริญสติปฐานจริงจัง